ใน ว, วันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราเป็นวันโกนวันนี้เป็นวันปงผมวันที่หนึ่งเมษาสองพันห้าอยห้าสิบพวกเรานิสิตนักศึกษามหิดลนักศึกษาแพทย์และก็พร้อมนวักกะและกับพระเก่าในวัดของเราก็ได้ร่วมกัน มาปฏิบัติไหวพระยอ่อจากนั้นก็จะได้ฟังสัมโมนิยคถาบางวันเ็เปิดเทปครูบาอาจารย์ให้พวกเราได้ศึกษาได้ฟังแต่วันนี้ผมจะขอกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายการเข้ามาศึกษาถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้มีแนวความคิดในแง่มุม หลากหลายพวกเราก็จะเป็นผู้มีสติปัญญารอบรู้ในวิทย์ในด้วยในศีลหรือในกฎระเบียบหรือหลักพระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น mm hmm. ก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเพราะฉนั้นบางครั้งบางวันต้องจอนเช้าตอนเย็นต้องตอนเช้าก่อนฉันจังหันผมก็พยายามแนะแนวหรือว่าแนวความคิดต่างๆ มาให้หมู่พวกเพื่อนได้ฟังได้ศึกษาตกตอนเย็นผมก็ได้นำประสบการณ์ดืดแนวภาคปฏิบัติมาแนะนำสั่งสอนหมู่พวกเพื่อนอีกต่อนหนึ่งอย่างที่ผ่านๆมาพวกเราเข้ามาศึกษาหลายวันตั้งแต่วันที่10นะและก่อนหน้านั้นเราเป็นนาคเราก็มาบวชเมื่อวันที่1ิบ มีนานะวันนี้เขาเป็นวันที่หนะึ่งเนี่ยเป็นที่หนึ่งเมษาสรุปแล้วก็ยี<ๆ>่สิบวันนะที่เรามาบวชนะเพราะฉะนั้นให้พวกหมู่พวกเพื่อนทุกองนะพาลูกพหลานทุกองให้ทั้งองค์ตั้งใจภาวนาทั้งองค์ตั้งใจปฏิบัติอย่างที่พระที่บวชในพรรษาที่อ่านให้ฟังมื้อเช้านะี่อันนี้ก็เป็นแนวความคิด สำหรับผู้ที่เข้ามาบวชแล้วก็ตั้งอกตั้งใจเมื่อพวกเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติความสัมผัสทางด้านจิตใจหรือ ว, ว่าธรรมะที่พวกเราประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นธรรมะปัจจตังพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองถ้าว่าพวกเราไม่ปฏิบัติจริงจังพวกเราก็จะไม่เจอไม่พบไม่เห็นนความสงบ แต่ถ้าว่าพวกเราปฏิบัติจริงจังเอาจริงเอาจังพวกเราก็จะประสบความสงบพร่มเย็นทางด้านจิตใจอย่างที่ทิศที่ท่านมาบวชในพรรษานั้นราศิขาออกไปก็ได้เขียน เ, เขาก็ได้เขียนข้อความให้พวกเราได้ฟังอย่างเมื่อเช้าเนี่ยฟังๆผมฟั ง, ฟงดูแล้วก็เป็นเขาพูดออกมาจากใจจริงของเขา เรื่องกริงของเขาออกมาจากใจของเขาเพนั้นวิธีการทําจิตให้สงบกับลักษณะอย่างที่เขาเป็นนี่แหละเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะบวช้ามาคราวนี้อย่าให้พลาดโอกาสพยายามภาวนาให้สม่ําเสมอการภาวนาก็อย่างที่ผมได้บอกกล่าวให้หมู่พเพื่อนได้ทราบกรรมาฐานหลักก็คืออนาปานสติ กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เลยคือกรรมฐานหลักที่จะทําจิตให้สงบกรรมฐานลองลงไปกระสุนแท้แต่เทคนิคในการที่จะทําจิตให้สงบได้อย่างที่ผมได้เรียนให้พวกเราท่านทั้งหลายทราบว่าเรานับหนึ่งหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองหายใจเข้าสามหายใจออก4อย่างเนี้คือวิธีหนึ่งจากนั้นบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไม่ให้มีช่องว่าง ที่ิตใจของเราจะมีความรู้สึกเล็ดลอดออกไปให้มีความรู้สึกถี่ยิบในความรู้สึกของเราอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งหรือเราจะบริกรรมหายใจเข้าพุทโทหายใจออกธรรมโมหายใจเข้าพุทโธหายใจออกธรรมโมอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะบริกรรมอย่างองค์หลวงปู่ล่าสอนลูกศิษย์หรอสอนผมน่ย สมัยผมเป็นเนนหลวงปู่ท่าน ก, บบก็บอกให้บริกรรมว่าหายใจเข้าเกิดหายใจออกดับคือเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดดับเกิดดับเกิดดับให้เห็นอนิจจังไปด้วยอันนี้ก็ได้สรุปแล้วคือวิธีการที่จะทำจิตให้สงบมีหลายวิธีเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติวิธีการสมถ tha เครื่องยึดเหี่ยวทาง ที่เป็นเครื่องกำหนดของใจที่จะทำให้จิตให้สงบเนคือกรรมฐานอรุษติสิบพุทธานุษติธรรมานุญติสังคาศีลายจาคาเทวตา อ, <Okay. S 1> อันนี้ก็คือวิธีทำจิตให้สงบแต่ถึงยังไงก็ตามนะจะบริหารใด กรรมฐานใดก็าตามแต่ก็อยากจะให้หมู่พวกเพื่อนตั้งใจแล้วก็ทําให้สม่ําเสมอทําให้ต่อเนื่องอย่าให้ขาดตกบกพร่องอันนี้สําคัญต่อเนื่องเนะี่ยสำคัญแล้วจะยึดอันไหนกรรมฐานไหนพยายามให้อยู่กับกรรมฐานนั้นอย่าไปเปลี่ยนกรรมฐานบ่อยหมู่เพื่อนว่ากรรมฐานนี้ดีก็เปลี่ยนวันหนึ่งเปลี่ยนอันหนึ่งวันหนึ่งเปลี่ยนอันหนึ่งอันนั้น ไม่ดีเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ย้ายบ่อยย้ายทุกวันต้นไม้จ ะ, จะเจริญเติบโตได้ยากเพราะมันกระทบกระเทือนลากข้อมันอยู่ตลอดอันนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าว่าเราภาวนากำหนดกาหนดลมหายใจแล้วใครว่ายยงไงเง้าทําทำไปด้วยกับเขาก็ททำให้กรรมฐานของเราล้วนเลยนะไม่ปักไม่แน่นแต่บางคนบางท่าน ก็บอกว่าเวลากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเาเวลาเดินจงกรมละ่ะกำหนดลมใช่ไหมหลวงพอ่อไม่ใช่กําหนดที่ก้าวเดินนะกำหนดที่9้า ท, ที่9ขาเดินไม่ต้องกําหนดลมถ้ากําหนดลมมันสับสนกันปล่อยลมเพราะงั้นในขณะที่เดินจงกรมให้อยู่กับก้าวเดินแต่ถ้าเรานั่งมันไม่ได้เดินเราก็กําหนดลมหายใจเข้าพุทยใจออกโธ แต่บางครั้งลมหมดก็จะทำยังไงหลวงพ่อถ้าลมหมดในขณะที่พวกเราเราบริกรรมก็เอาจิตเข้ามายึดมาดูตัวผู้รู้ตัวผู้รู้รู้เนี่ยตัวไหนรู้ว่าลมหมดความรู้สึกไหนว่าลมหายไปลมหมดเอาสติจับเข้าไปจับอยู่จุดนั้นเอาไปจับอยู่ที่ ที่ว่ามันหมดนะที่ลมหมดนะนะเอาสติเข้าไปจับจุดนั้นในเมื่อจับจุดนั้นแล้สน่นั่นแหละจิตของเราจะดิ่งเข้าสู่ความสงบลึกลงไปอีกอันนี้ก็ไม่จำไปคาดนะไม่ต้องคาดเพียงแต่ว่าเมื่อจิตเมื่อนะรู้ว่าลมหมดอย่าไปตื่นตนกตกใจให้เอาสติเข้ามาดูที่ตัวผู้รู้นะจับอยู่ตรงนั้นรู้อยู่ตรงนั้นเท่านั้น นี่แหละความสงบเยือกเย็นก็จะเข้ามาหาพวกเราอีกนะเราไม่ต้องตกใจเพราะว่ากรรมฐานนี่บางคนพอนั่งภาวนาจิตเข้าสู่ความสงบลมหมดกลัวตายนะกระเสือกกระสนขึ้นมาจับลมมาอีกก็เลยทําให้ใจของเราหยาบขึ้นมาอีกก็เลยไม่ไปถึงไหนบางน่านะ เ, เดี๋ยวพอจิตสงบเพ่็กลับมาอีกเพราะกลัวตายนะเพราะนั้น ถ้าท่านผู้ใดข้อตามาภาวนาแล้วจิตใจสงบนิ่งลมหายใจหมดเอาสติมาจาับอยู่ตัวผู้รู้นั่นะใครรู้ว่าลมหมดเอาสติจ่ออยู่ที่นันะ่นกำหนดอยู่ตรงนั้นนะนี่แหละวิธีการปฏิบัติมีหลายวิธีนะสรุปแรก็คือสมถะคือพยายามทำจิตให้สงบนะส่วนวิปัสสนาทีนี้ วิปัจนาวิปัจญึกอันเดียวกันแต่วิปัจนาเนี่ยรู้แจ้งเห็นจริงก่อนที่จะรู้แจ้งเห็นจริงก็ต้องนึกคิดซะก่อนพยายามบังคับให้ใจนึกคิดให้ใจปรุงแต่งว่าร่างกายของเรามีอะไรบ้างคือให้ดูของหยากซะก่อนถ้าเราไปกําหนดดูใจอย่างนี้กาหนดตัวผู้รู้อย่างนี้โดยมากมันจะมองไม่ค่อยเห็น เพราะนั้นให้ให้พวกเรากำหนดลมหายใจเข้าออกจากนั้นก็พิจารณาร่างกายนะเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งจิตสงบพอสมควรแล้วให้พิจารณาร่างกายร่างกายกคืออะไรอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่นี่นนะ่ะกะโหลกศีรษะพิจารณาผมก็ได้ที่พระอุปชาสอนเมืนะ่เอเช้านี่ผมมันเกิดขึ้นบนศีรษะ งอกคือทีละเส้นละเส้นตามขุมขนถ้าว่าเราไม่สะไม่ล้างปล่อยปะละเลยแล้วผมนาจะสวยงามไหมปุ๊ชาตสอนเมื่อเช้าสวนผมก็ไม่งามผมก็ไม่งามขนก็ไม่งามเล็บก็ไม่งามฟันก็ไม่งามหนังก็ไม่งามให้รู้เห็นตามความเป็นจริง ร่างกายเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมถามใจตัวผู้รู้นั่นละถ้าเราปฏิเสธผู้รู้ก็จะต้องบอกว่าใช่ร่างกายนี่มีแต่หนังหุ้มแล้วก็โครงสร้างอยู่ข้างในคือกระดูกวัตถุวัตถุสินค้าทั้งในใจของเราแขวนพลุงพลังอยู่นั่นก็คือตับลำไส้ปอดหัวใจเต็มไปหมดอยู่ในท้องของเรา หรือเราปฏิเสธว่าไม่มีถ้าว่าปฏิเสธไม่มีแสดงว่าเราไม่ใช่นักปฏิบัติไม่กล้าไปเชิญแต่ตามมันจริงเราดูในร่างกายของเรามีอะไรบ้างเราจะเห็นได้ชัดเจนในความรู้สึกของเราเพราะเรามีการเปรียบเทียบเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในร่างกายของเรามีอะไรร่างกายของเราก็คื อ, อมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะ จากนั้นเป็นของเที่ยงและไม่เที่ยงสิ่งเหล่านันะ้นไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นควรจะยึดว่ามาเป็นตัวตนของเราไหมไม่ควรจะยึดไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นควรจะปล่อยวางหรือรู้เท่ารู้ทันในการเป็นอยู่ของตนเองในกรรมฐานที่เราพิจารณาร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราสรุปแล้วก็คือให้พิจารณาถึงใจ การประพฤติปฏิบัติอันใดก็ตามนะถ้าว่าไม่เข้าถึงใจนะไม่เข้าถึงใจไม่เข้าถึงตัวผู้รู้นะแปลว่ามันยังเข้าไม่ถึงจุดต้นต่อของของต้นเหตนนะุแต่ถ้าเข้าไปถึงตัวผู้รู้เข้าคือเท่าเข้าไปถึงใจแล้วนะั่นะถึงต้นเหตุต้นเหตุของเรื่องทั้งหลายทั้งปวง มันออกมาจากใจทั้งหมดฝ่ายนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านน ะ, ะก่อนที่จะจับใจจุดนั้นได้คือสมาธิก่อนอพยายามทำจิตให้สงบกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมทําจิตให้นิ่งให้มีสติกับลมหายใจเข้าออกเมื่อสติของเราดีแล้วนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาร่างกายพิจารณาร่างกายตั้งแต่หัวจดเท้า ในรูปร่างกลางตัวใต้ผิวหนังเขาเป็นยังไงในไส้ในท้องของเรามีอะไรอยู่ในนั้นอ่ามันเต็มพลงพลังไปหมดสิ่งเหล่านี้มันเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นของเราใช่ไหมถ้าเป็นของเราจะไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายนะถ้ามันเก็บมันตายอยู่ไม่ใช่ของเราใช่ไหมทีนี้คำถามนั้นจะถามตนเองอยู่ตลอดนะ ตัวเองก็จะต้องตอบตามความเป็นจริงมันเกิดยังไงร่างกายสังขารเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไผใช่ไหมมันก็จะรับรู้เออรู้แจ้งรู้จริงที่พวกเรากำหนดนะถ้าเรารู้อยู่ตลอดเวล่ำเวลานะไม่ให้เบื่อหน่ายคลายมันจะจ่ได้หรือฮมันต้องรู้เห็นตามเป็ น, ปนจริงแล้วมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลาย ไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางที่ใจความบริสุทธิ์จุดพ้นก็จะอยู่ที่ใจกิเลสอยู่ที่ใจมรรคผลนิพพานอยู่ที่ใจความโง่อยู่ที่ใจความฉลาดอยู่ที่ใจเหมือนกับไฟอยู่ในที่มืดอย่างนั้นมันจะมืดมานานขนาดไหนแต่พอเราจุดไฟขึ้นมาแสงสว่างนั้นก็หายไปอันนี้ก็เหมือนกันความโง่ตัวอวิชชาอยู่ที่ใจของเรา ถ้าเราใช้ธรรมะทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาจุดประกายขึ้นความมืดอยู่ที่ใจของเราความโง่อยู่ที่ใจของเราก็หายออกไปใจของเราก็เป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเป็นอนันตการเพราะนั้นพวกเราทกุทกทท่านนะที่เข้ามาศึกษาธรรมะภาคปฏิบัติกับหลวงพ่อหนะลวงพ่อเน้นหนักเรื่องศีลนะการเป็นอยู่เรื่องศีล ให้สํารวมระวังเรื่องศินนะอย่าให้ขาดตกบกพ่องส่วนเรื่องสมาธิก็กําหนดลมหายใจเข้าออกเป็นหลักหรือเราจะพิจารกรรมฐานไหนแต่ตามมาจริงจะทิจารกรรมฐานไหนที่มันแปลกนะก็ควรจะมาถามหลวงพ่อก่อนเพราะหลวงพ่อเป็นผู้แนะนําสั่งสอนอยากจะให้พวกเราปฏิบัติอย่างนี้แต่พวกเราขอปฏิบัติอย่างนั้นได้ไหมหลวงพ่อก็ให้หลวงพ่อเป็นผู้ แนะนำอีกครั้งหนึ่งพอพวกเรามาศึกษาจากหลวงพอ่ออไม่ใช่ว่ามาศึกษาจากหลวงพ่อแล้วไปนำํำความคิดแล้วไปนําความเรื่องโยคงโยคะอะไรต่ออะไรเข้ามาศึกษาแล้วจากนั้นเรามาบอกปฏิเสธมาบอกว่ามาบวชวัดหลวงพอ่อจิตใจไม่สงบจิตใจวุ่นวายอย่างนี้ก็เพราะว่าบางคนอาจจะไปนําเอาสิ่ง ที่หลวงพ่อไม่แนะนำนำมาประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อหลวงพ่อแนะนำให้ปฏิบัติอย่างไรถึงพวกเราจะพอใจหรือไม่พอใจเราก็ต้องปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อพูดไปก่อนเพราะมันก็ไม่เสียเวลาเพียงเดือน ก, อกว่าหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อแนะนำะไม่เป็นอย่างอื่นหลวงพ่อแนะนามั่นใจ ว่าการแนะนําของหลวงพ่อนี่ไม่ผิดนะแต่ว่าอดอาหารหน้านี้รู้สึกว่าเพลียหน่อยนะอดเพลียแต่ว่าถึงยังไงยังไงก็อยากจะให้หมู่พเพื่อนทดลองดูทามันไม่ไหวจริงๆก็บอกพระเก่านะจัดน้ำลง้งน้ําพร้อนได้แต่ว่าเลือกอาหารทดลองดูการทดลองก็คือเพื่อไม่ให้เมื่อโบวเข้ามาแล้ว ถ้ามาอยู่วัดป่านาคาน้อยหลวงพ่อยังพูดกับพวกพระในพันสาวถ้ามาอยู่วัดป่านาคาน้อยแล้วไม่อดอาหารนะแปบลบว่าไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านสนามนาคำน้อยอสนามนาคำน้อยต้องอดอาหารเพื่อเป็นการทดสอบเพื่อเป็นการทดลองเพื่อเป็นการดทดลองความอดทนของเราเมื่อเราเป็นพระเราทดลองกด เมื่อเป็นครวาดญาติโยมมีธุระการงานเราอดมือ้ออิ่มมือ้ออดมื้อหนึ่งผ่านไปผิดเวลาบ้างเราก็ใจของเราก็ไม่ลุกเป็นไฟเพราะเราเคยฝึกมาเราเคยอดมาแล้วแต่ถ้าว่าเราไม่เคยอดมาเลยถ้าเราขาดอาหารเพียงมื้อเดียวอารมณ์บูดเสียมดเพลเพลเสียการเสียงานเสียหมู่เสียเพื่อนอีกต่างหาก เพราะว่าความหิวเข้ามาบีบคัน้นเราก็ปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจปล่อยออกทางกายทางวาจาของเราทำให้หมู่พเพื่อนเสียหายวงการเสียหายได้ง่ายนะเพรา ะ, ะนั้นผมจึงแนะนำให้พระใหม่ทดลองอดอาหาดนดะูถ้ามันหิวเขามาฉันทาไม่หิวก็ทดลองนะภาวนาด้วยนะอดด้วยภาวนาด้วยนะ ไม่ใช่ว่าอดอทหารเนอมีแต่ไปคุยกันไม่ได้เลเนีเพราะว่าเราไม่ระงับความรู้สึกถ้าว่าเราอดทาหารแล้วระงับความรู้สึกนะมันจะไม่หิวนะอยู่ได้สบายนะแต่ถ้าว่าเราอดทาหารแล้วเป็นนั่งคุยเขายิ่งปล่อยอารมณ์มากเรื่องสะเพระแล้วยิ่งเข้ามาม า, มากอีกสับสนวุ่นวายเข้ามามากอีกเพอ่เผลินสติขาดออก พอได้ศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาอย่างนี้จึงมาถ่ายทอดให้แก่พาลูกพาลานและหมู่พวกเพื่อนทุกองให้่าออกตั้งใจประพฤติปฏิบัติในทะางว่าปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อพูดผมพูดเนี่ยความสงบรมเย็นเป็นถูกทางท่านจิตใจสมรธิธรรมก็จะเกิดอ ย, อยู่ในจิตในใจของพวกเร า, าไม่เหลือวิสัยนะถ้าพวกเราปฏิบัตินะในะวันนี้ผมขอพูดเพียงเท่านี้ก่อน ้าคงจะไม่พูดมากวันนี้รู้สึกว่าอ่อนเพลียเหนื่อยนะจากนั้นก็คงไม่มีผมไม่นั่งสมาธิแล้วนะวันนี้นะขอพอผมพูดจบแล้วก็กราบพระประธานแล้วก็แยกย้ายกันพักพอ่อนนะช่วยดูพ้าใหม่พวกหมูกพกเพื่อนช่วยกันดูนะขาดเรือขาดตุกอะไรหมวกวกเพื่อนผ้าใหม่ก็ดูมาหลายวันนะรู้เรื่องต่างๆหมดแล้ว ขอให้ตั้งอกตั้งใจประพุทธปฏิบัติเอาจริงเอาจาังนาพระใหม่นะอย่าให้ขาดตัวปกพ่องอย่างที่ผมแนะนำนั่นแะ